เมื่ออังกุระพาณิษฐ์ประกาศอัธยาศัยของตนอย่างนี้แล้วชายคนหนึ่งชื่อว่าโสนกะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในนิติศาสตร์ก็คือมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายนะนิติก็คือพวกกฎหมายแบบแผนจารีตประเพณีหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในที่นั้นเป็นผู้เห็นเห็นว่าอังกุระเทพบุตรุฒนี่เอ๊ะชักให้ทานเกินประมาณมีความประสงค์จะตัดทานนั้นก็เลยกล่าวว่าบุคคลไม่พึงให้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดแก่บุคคลอื่น ควรให้ทานและควรรักษารัพย์เอาไว้เพราะว่าซั์เท่านั้นประเสริฐกว่าทานตระกูลทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะการให้ทานเกินประมาณอคนที่ไม่เห็นอ น, นิสงค์เขาก็กล่าวอย่างนี้บัณฑิตย่อมไม่สารเสริญการไม่ให้ทานและการให้ทานเกินไปให้ทานไม่ให้ก็ไม่ยกย่องอีกให้เกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะเหตุผลนั้นแล้ัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าทานบุคคลผู้เป็นนักปราชถ์สมบูรณ์ด้วยธรรมควรประพฤติโดยพอเหมาะ ซึ่งเขามีคติของเขาว่าบุคคลพึงรักษาทรัพย์ตามวิธีที่กล่าวไว้ว่าพึงใช้บริโภคส่วนหนึ่งพึงประกอบการงานสองส่วนและก็พึงเก็บทรัพย์ส่วนที่4เอาไว้เมื่ออันตรายจากมีขึ้นเพราะฉะนั้นโสนกะบุรุษนี้เขาก็พูดแบบวิสัยของคนที่อยู่ในโลกธรรมดาอังกุระพานิชได้ฟังอย่างนั้นเมื่อจะเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของโซนกะบุรุษนั้นก็เลยประกาศวิธีที่ตนจะพึงปฏิบัติว่า ดูก่อนชาวเราทั้งหลายเอ๋ยดีหนอเราพึงให้ทานแลด้วยว่าสัตบุรุษพูดสงบประงับพึงคบหาเราเราพึงยังความประสงค์ของวั น, นิีพกให้เต็มเปี่ยมเลี้ยงดูให้อิ่มนำ้ำเปรียบเหมือนฝนอย่างที่ลุ่มทั้งหลายให้เต็มฉะนั้นสีหน้าของบุคคลใดย่อมผ่องใสเพราะเห็นพวกยาจกบุคคลนั้นครั้นให้ทานแล้วมีใจเบิกบานข้อนั้นเป็นความสุขของบุคคลผู้ครองเรือน นนะความสุขของบุคคลคู่ครองเรือนก็คือได้มีโอกาสได้ให้สีหน้าของบุคคลใดผ่องใสเพราะเห็นพวกยาจกบุคคลนั้นครั้นให้ทานแล้วย่อมปราบปลื้มใจนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันก่อนแต่ให้ก็มีใจเบิกบานเมื่อกำลังให้ก็มีใจเลื่อมใสครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันอันการถึงพร้อมแห่งยันการถึงพร้อมแห่งบุญก็คือเป็นบุญที่ หนึ่งนะประกอบด้วยมหากุศลญณสัมปยุตปรารบในกรรมและผลของกรรมก่อนให้ใจก็ผ่องใสกำลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็รักษาใจเอาไว้ได้อังกุระพาณิชครั้นประกาศวิธีปฏิบัติของตนอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้มีอัธยาศัยในฐานเนี่ยเจริญยิ่งขึ้น น, นะมันมีแต่คิดจะให้มากขึ้นอีกบาเพ็ญมหาทานทุกๆวันเป็นไปโดยประการประมาณยิ่ง เพราะเหตุนั้นในการนั้นเมื่อทำราชจะสมบัติทั้งปวงให้เป็นดุดที่ดอนแล้วก็ให้มหาฐานเป็นไปมนุษย์ทั้งหลายได้อุปกรณ์แห่งทานทั้งปวงแล้วก็ละการงานของตนของตนเที่ยวไปตามความสุขชาวบ้านชาวเมืองนี่ชักไม่ทำงานเลยนะเพราะว่าให้ทานมากเพราะเหตุนั้นเรือนคลังของพระราชาทั้งหลายก็ถึงความสิ้นไปประชาชนไม่ทำงานภาษีก็เก็บไม่ได้ภาษีเก็บไม่ได้ทำไงอ่ะคะนนี้บ้านเมืองนี่ชักวุ่นวายเหมือนกันนะ ครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายก็เลยส่งทูตไปถึงอังกุระพ่อค้าก็คือพวกพี่ๆนะก็เลยส่งทูตไปบอกน้องชายว่าท่านผู้เจริญเพราะอาศัยทานความเจริญของพวกเราจึงได้พินาศน้องเนี่ยเธอให้ทานเกินไปเนี่ยพี่ๆจะแจ้งกันอยู่แล้วนะพระราชาเนี่ยนะเรือนครังทั้งหลายถึงความสิ้นไปพวกเราควรรู้เหตุอันสมควรในข้อนั้นอ น, นะพิจารณาหน่อยสิให้ยังไงเนี่ยบ้านเมืองก็โวดไว้แล้วไง อังกุระพานิชได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ได้ไปยังทักคีนาปท ะ, ะชนบทย้ายที่ก็ได้และก็ช่วยกันสร้างโรงทานมากมายขนาดใหญ่ในที่ไม่ไกลแต่นั้นคือที่ที่เขาไปสร้างโรงทานใหม่ก็ไม่ไกลาจากทะเลในที่อยู่ของพวกธมินก็ได้ไม่ให้มหาทานเป็นไปจนสิ้นอายุอันข้อความในคาถาธรรม บ, บทยมกปาติหารตรงนั้นเนี่ยท่านอธิบายว่า อังกุระเท พ, พบุตรนี้ให้ทานอยู่หนึ่งหมื่นปีและก็เตาหงข้าวเนี่ยนะเรียงยาวเนี่ยยดอ่ะันถือว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจาร์จึงกล่าวว่าเมื่อแสดงสมบัติแห่งทานการเข้าถึงสวรรค์ของอังกุระพาณิสนั้นก็กล่าวว่าในเรือนของอังกุระพาณิสผู้มุ่งบุญโพชนะอันเขาให้แกมูชนวันละ หกหมื่นเล่มเกวียนเป็นนิด6กหมืนเล่มเกวียนเนี่ยนะโอ้โหกี่คันสิบล้อนะวันวนหนึ่ง เ, เหมือนกับยิ่งมารถบรรทุกทรายบรรทุกหินอี ก, ก น, นะใช้พ่อครัวกี่คนเนี่ยสามพันคนหุงต้มเนี่ยนะพ่อครัวเนี่ยกุกมือหนึ่งเนี่ยสามพันคนบอกว่าพวกนารีพวกหญิงงานเนี่ยนะทั่วไปเนี่ยหมื่นหกพันคนประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงช่วยกันบดเครื่องเทศเจ้าหน้าที่เครื่องเทศเนี่ยหมื่นกพันคนนะ่ะ สำหรับปรุงอาหารในมหาฐานของอังกุระพ่อค้านั้นนะ่ะแล้วก็มีผู้หญิงอีก 16,000 คนประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือทับผีข้าวยืนคอยให้มหาทานคนให้ใชยๆเนี่ยหม่นคนน่ะเนาะเพราะฉะนั้นในมหาทานของอังกุระพา น, นิชนั้นอังกุระพา น, นิชนั้นได้ให้ทานให้ของเป็นอันมากแก่มหาชนโดยประการต่างๆ ได้ทำความเคารพและยำเกรงในกษัตริย์ด้วยมือของตนเองบ่อยๆได้ให้ทานโดยประการต่างๆสิ้นกาลนานอังกุระพาณิชย์ยังมหาทานให้เป็นไปแล้วสิ้นเดือนสิ้นปีสิ้นฤดูสิ้นปีเป็นอันมากตลอดการยาวนานให้ทานอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นปีคนสมัยนั้นอายุยืนมากและให้ทานทำการบูชายอย่างนี้ตลอดกาลนานะละร่างกายมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่ออังกุระพานิษฐ์บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเวยที่ผสมบัติอยู่อย่างนั้นนี้คือเรื่องราวก่อนสมัยพุทธกาลสมัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ในการครั้งนั้นมีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายคือในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็แสดงคำก็มีภาษาวกอรหันมากมายอินทกะมานุปก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่านายอินทกะเนี่ย เมื่อท่านพระนรุธะเที่ยวบินทบาตก็มีใจเลื่อมใสได้ถวายอาหารทัพพีเดียวสมัยต่อมาเข้าตาแล้วไปเป็นเท พ, พบุตรมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากในสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงเพราะด้วยอนุภาพแห่งบุญอันเป็นเขตเขาได้ทำบุญกับนาบุญที่ดีทำบุญกับพระอนุรุธะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่มีกิเลสภโรดล่วงครอบงำอังกุระเทะพบุตรด้วยฐานะสิบ เขาบอกว่าดีกว่าเทพบุษเนี่ยรูปงามกว่าเสียงเพราะกว่ากลิ่นหอมกว่ารสสัมผัสดีกว่าโพธาภะดีกว่าเพราะฉะนั้นยศมากกว่าบริวารมากกว่าอะไรมากกว่าทั้ง10บสเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นอินทกะมานพนั้นได้ถวายพิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระนุรสท่าเทระระร่างกายมนุษย์แล้วไปบังเกิดในพิภพดาวดึงแต่อินทกะเทพบุตรรุ่งเรืองยิ่งกว่าอินทกะไม่ใช่อินทกะเทพบุตร รุ่งเรืองยิ่งกว่าอังกุระเทพบุตรโดยฐานาสิบอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะอันน่ารื่นรมย์ใจอายุยศวันนะสุขและความเป็นใหญ่อ่านะทำมันไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะมันมันจะต่างกันมากแต่คิดไปในหนึ่งนะชาวนาทำงานอยู่ร้อยปีกับอ่นะเป็นชื่อครั้งเดียวเนี่ยนะให้ผลห่างกันเยอะนะชาวนาบางคนเนี่ยทำนาะทงานทั้งชาติเนี่ยนะติดนี่ แต่อีกคนหนึ่งเซนชื่อแก๊กเดียวเนี่ยรวยตลอดชาติเลยมีเหตุมีผลต่างกันมากบุญต่างกันมนุษย์เนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมาด้วยบุญต่างกันเมื่ออังคุระเทพบุตรและอินทกระเทพบุตรบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเวยที่ผสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงทำมยมกปาติหานณโคนต้นคันธามะพรุกคือต้นมะม่วงที่ประตูแห่งกรุงสาวัตถีในวันอาสารหะปุณณมีในปีที่เจ็ดแต่การตรัสรู้ก็เสด็จไปยัง ที่พบดาววดึงโดยการย่างเก้าไป3าก้าโดยลําดับทรงครอบงมความรุ่งเรืองของเทวะพรห ม, มบริษัทพุทธเจ้าเนี่ยไปในสวรรค์ชั้นดาววดึงเนี่ยพระองค์เนี่ยประเสริฐกว่าเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหมดผู้ประชุมกันด้วยโลกธาตุณนะปันฑุกัมพลศิลาอาตที่ควงต้นปาริฉัตกะด้วยพระศมีของศรีระของพระองค์เหมือนสุริโยไทยทอแสงอ่อนๆเหนื้อเขายุคคันธ์อนรุ่งเรืองอยู่ฉะนั้น ประทับนั่งแสดงอภิธรรมทอดพระเนตรเห็นอินทกะเท พ, พบุตรผู้นั่งอยู่ที่ไม่ไกลและอังกุระเทพบุตรผู้นั่งอยู่ไกลตลอดระยะ12โยต์ที่แรกพระพุทธเจ้าขึ้นไปประทับนั่งปุ๊บเนี่ยมีเทวดาสองตอนอยู่ซ้ายขวาคนหนึ่งเป็นอังกุระเทพบุตรคนหนึ่งเป็นอินทกะเทพบุตรทีนี้เทวดาก็มาประชุมกันเรื่อยๆ อ, อ, อ, อังกุระถอยถอยถอินทกะนั่งอยู่ที่เก่านั่นแหละอังกุระเนี่ยถอยถๆยถอยไปสิบสอโยต์สิโยชต์คูณ16กกิโลเมตร ก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันนะเพื่อจะประกาศความสมบูรณ์แห่งพระทักษิณยะบุคคลพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอังกุระมหาฐานท่านได้ให้แล้วสิ้นกาลนานท่านมาในสำนักของเราฉะไหนท่านจึงนั่งอยู่ไกลนะักอังกุรเทพระบุตรฟังดังนั้นและก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามหาฐานอันข้าพระองค์บริจาคไตรยธรรมเป็นอันมากบำเพ็ญมาตลอดกาลนาน ก็ไม่ได้มีผลยิ่งเพราะเวนพระทักขินยะสมบัติเหมือนพืชที่หวานลงในนาที่ไม่ดีฉะนั้นแม้แต่การให้พิกษาทัพพีหนึ่งของอินทกะเทพบุตรยังมีผลมากกว่ายิ่งนักเพราะสมบูรณ์ด้วยพระทักขินยะบุคคลเหมือนพืชหวานที่นาดีก็เราทำนาในประเทศไทยกลับไปทำนาที่ซาอูดูสิใครจะรวยกัน <c oughs> ยกที่นาซาอูให้พันไร่เลยเอ ทิณาที่นี่ทําสักสิบไร่พอแล้วให้ผลต่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษประทับอยู่ที่ปันดุกรมพลศิลาอาจภายใต้ต้นปาริฉัตกะพฤกนะพิภพดาวดึงครั้งนั้นเทวดาในหมื่นโลกธาตุพากันนั่งประชมเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่บนยอดเขาเทวดารายๆไม่รุ่งโรดเกินกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรัศมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นย่อมรุ่งโรธร่วงเอ่ยร่วงเทวดาทั้งปวงครั้งนั้นอังกุระเทพบุตรนั่งอยู่ที่ไกล12บสองโยศจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับส่วนอินทากะเทพบุตรนั่งอยู่ที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้ารุ่งเรืองกว่าอังกุระเทพปบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นอังกุระเทพบุตรกับอินทากระเทพบุตรแล้วเมื่อจะทรงประกาศทักชินยะบุคคลจึงได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ความว่า ดูก่อนอังกุระเท พ, พบุตรมหาทานท่านได้ให้แล้วสิ้นกาลนานท่านมาสู่สำนักของเราฉะไหนจึงนั่งอยู่ไกลยิ่งนักอังกุระเท พ, พบุตรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันอ บ, บรมแล้วทรงตักเตือนแล้วได้กราบทูลว่าจะประสงค์อะไรด้วยทานของข้าพระองค์อันว่างเปล่าจากพระทะักษิณยบุคคลก็คือมีแต่คนไม่มีศีลทั่วไปอะมารับว่างั้นอินทกาเท พ, พบุตรนี้นั้นให้ทานนิดหน่อย รุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์เหมือนพระจันทร์ในหมู่ดาวฉะนั้นอังกุระเทพระบุทูลว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานแล้วในนาดอนย่มอมผลย่อมไม่ไพบุญทั้งไม่ยังชาวนาให้ปลื้มใจฉันใดทานมากมายอันบุคคลเข้าไปตั้งไว้ในบุคคลผู้ทุศีนก็ฉันั้นเหมือนกันทำบุญกับคนไม่มีศีนจะมากขนาดไหนก็ตามก็มีผลไม่น่าพอใจ พืชแม้น้อยอันบุคคลหวานแล้วในนาดีเมื่อฝนหลังสายน้ำโดยสม่ำเสมอผลย่อมยังชาวนาให้ปราบปลื้มใจแม้ชันใดทานแม่น้อยอันบุคคลบริจาคแล้วในท่านผู้มีศีลผู้มีคุณความดีผู้คงที่ย่อมมีผลมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์จึงได้กล่าวคาถานี้ว่าบุคคลพึงเลือกให้ให้ทาน ในเขตที่ให้แล้วมีผลมากทายกทั้งหลายครั้นเลือกให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์การเลือกให้ทานพระสุคตสารเสริญพระทักขินยับุคคลเหล่าใดมีอยู่ในชีวโลกนี้ทานที่ทายกให้แล้วในพระทักขินยับุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานไว้ในนาดีฉะนั้นเรื่องอังกุระเทพบุตรนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงด้วยพระ อ, องค์เอง โดยนายเป็นต้นว่ามหาทานอันท่านให้แล้วดังนี้เพื่อจะประกาศความสมบูรณ์แห่งทักขิณยะบุคคลข้างหน้ากัเทวดาในหมื่นจักรวาลในพิภพดาวดึงนะพระองค์ก็ได้ทรงแสดงว่านาทั้งหลายเนี่ยมีญาเป็นโทษมูสัตว์นี้ก็เหมือนกันมีราคะโทสะโมหะและความทะยานอยากเนี่ยเป็นโทษอันทานที่ให้กับบุคคลผู้ปราศจาก ราคะโทสะและโมหะปราศจากความอยากทานอนั้นเนี่ยจึงเป็นทานที่มีผลมากมีอในสงมากหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงอภิธรรมในพิภพดาวดึงสิ้นสามเดือนในวันมหาปรวรณาทรงแวดล้อมด้วยหมู่เทพยิ่งกว่าเทพเสด็จลงจากเทวโลกสู่สังกสรนาคอลืมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าพอพระองค์แสดงเรื่องนั้นจบนะเทพบุตรทั้งสององค์ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งคู่นั่นแหละ หลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็เสด็จถึงกรุงสาบถีโดยลําดับประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันเพื่อจะทรงประกาศความสมบูรณ์แห่งพระทักขินในยบุคคลท่ามกลางบริษัทสี่จึงทรงสแสดงโดยพิสดารโดยในเป็นต้นว่าเราไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดก็เลยยึดเอายอดเทศนาก็ประกาศอริยสัจในเวลานั้นสัตว์ล้ายพันโกดได้ตรัสรู้รมแล้วไอหลายพันโกดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะคือเทวดาก็ฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วย แต่ตอนสุดท้ายอย่างไรพระองค์ก็ต้องประกาศเรื่องของอริยสัจจะทำเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเอาอริยสัจมาว่าสักสูตรหนึ่งก็ยังดีนะสั้นๆ่นสนะสมาธิสูตรว่า ง, งั้นผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงสัจจะสังยุตว่า ง, งั้นสาวถีนิทานดูก่อนพี่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง ถามว่าย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธถ้าคามันีปฏิปทาเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงอะ น, นะสมาฮิตโตยะถาภูตังปชานติ น, นะนะที่ที่กล่าวบ่อยบ่อย่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทาความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคาม่มีปฏิปทาก็มีคําอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ทั่วอรยิยสัจสี่ตามความเป็นจริงเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายมีจิตตั้งมั่นพึงทําความเพียรว่านี้ทุกขดังนี้ เพื่อต้องการรู้สัจจะสี่ตามความเป็นจริงสัจจะสียะ่ย่อมเป็นธรรมชาติปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระตถาคตเจ้านั่นเทียวพระตถาคตเจ้าทรงจำแนกไว้ดีแล้วในสัจจะสี่เหล่านั้นการกล่าวสารเสริญไม่มีประมาณบทและพยัญชนะไม่มีประมาณและวั ต, ตะย่อมเจริญเพราะสัจจะสี่เหล่านั้นอันเธอทั้งหลายมิได้แทงตลอด จำเดิมแต่การแทงตลอดสัจจะสี่เหล่านั้นวัตตะก็ไม่เจริญเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรว่านี้ทุกขดังนี้เป็นต้นด้วยหวังว่าวัตตะไอวัตตะจกไม่เจริญดังนี้ทักขินายบุคคลมีอะไรบ้างครับท่านเต๋อเฉลยงิน้นดีครับทักขินายบุคคลอนะ่ะทักขินายบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่ทักขินาทาน นะคือควรแก่ทางที่บุคคลเชื่อกรรมและผลของกรรมให้แล้วเนี่ยจะได้รับผลมากบุคคลนั้นก็คือ1 น, นะผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผล 2. พระโสดาบานันสพระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกธาคามีผลและก็พระสกธาคามีต่อไปก็พระผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามีผลกับพระอนาคามีแล้วก็พระผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้ง อรหัตตผลกับพระาอารหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นพระทักขิณยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรรับทานทั้งหมดเจ็ดจำพวกแปดประเภทแป ด, แ ป, ดแปดประเภทแปดประเภทด้วยกันทีนี้ท่านในบางแห่งท่านก็สงเคราะห์ว่าผู้มีศีลก็สงเคราะห์ในบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาบันอะไรอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าข้อความใน พระสูตรอีกสูตรหนึ่งท่านกล่าวถึงว่าการให้ทานกับแม้แต่อุบาสกผู้ถึงไตสรสารนคมก็เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโซดาปฏิบัติโสดาปฏิผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้ทานกับทายกผู้ถึงไตสรสารนคมเนี่ยมีผลมากกว่าให้ทานกับรือีผู้ได้ฌานนอกศาสนาอีกอท่านฟังอย่างนี้แล้วนะครับท่านจะประพฤติปฏิบัติยังไงในเรื่องทานท่านคิดว่า เราในฐานะที่อยู่อย่างเนี้ครับเนี่ยแล้วเราจะคิดเราจะให้ทานยังไงหมายความว่าเราคงจะเลือกทักขินายบุคคลหรือหรือว่าเราจะรอยอย่างนั้นหรือคือตามส่วนนี้แน่นอนทักขินายบุคคลนั้นผลของทานย่อมมหาศาลแน่นอนไม่มีผิดประจังนี้แน่นอนถูไหมครับแต่ว่าแต่ว่านะในชีวิตประจำวันท่าน HH. จะทํำยังไงแม้ว่าถ้าทานเล็กๆน้อยๆกับสัตว์เรียนฉันท่านทํำไหมรู้ว่าท่านจะไม่ท่านจะไม่ทํา นะครับในนี้ก็เป็นนี่นี่ผมก็ฝากไว้นะครับหรือท่านรอเลือกแต่ว่าผู้มีศีลเท่านั้นนะครับนะหรือท่านจะเลือกเฉพาะทักยินนยบุคคลเท่านั้นนะครับหรือว่าท่านเห็นว่าถ้าที่ใดมีโอกาสทําทําเลยนะครับนะมีมีสองอย่างที่เป็นข้อคิดนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสมาธินี่เมื่อกล่าวนี้เนี่ยนะครับนะฮะที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยว่าเฉพาะสูตรนี้เนี่ยหมายถึงว่าสมาธิเนี่ย เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทีเดียวละเรื่องนี้ถูกไหมครับเชญครับหมายความว่าท่านทุกคนก็เลยบอกว่าอยากรู้นักเรื่องนี้สมาธิเนี่ยมันต้องขั้นไหนฌานขั้นไหนผมรู้เล ย, ยท่านต้องสงสัยว่าเราต้องไปทาฌานขั้นไหนมาก่อนถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยจึงจะเป็นบาตรของการเจริญนิพพสนถูกไหครับตีต้องเป็นอัปปนาสมาธิคือในขณะมัคคิจเนี่ยนะต้องเป็นอัปปนา ถ้าจะแทงอริยสัจสี่เลยแต่ว่ามรรคจิตเกิดขึ้นต้องมีวิปัสสนาเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมถามว่าจะต้องอาศัยสมาธิระดับไหนจึงจะเจริญวิปัสสนาตรงนี้ก็แล้วแต่ความสามารถถ้าบุคคล น, นั้นมีความสามารถได้ระดับฌานออกจากฌานแล้วจเจริญวิปัสสนาก็ได้แต่ต้องอย่างอย่างน้อยๆ น, นะเข้าใจเนี่ยสมาธิที่เข้าใจคําสอนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเรื่องพื้นฐานธรรมดาที่สุดเลยเั้น จากนั้นเนี่ยจะได้สมาธิใดก็ตามสา ม, มารถที่จะเจริญวิปัสนาได้เลยอันวิปัสนาที่มีสมาธิทั้งแต่คณิกะอุปจาระหรืออัปปนาก็เป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคทั้งนั้นแหละแต่วิปัสนาจริงๆนั้นเป็นคณิกะสมาธิแต่ว่าบาทของวิปัสนานั้นจะเป็นอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาก็ได้หรือคณิกะสมาธิก็ได้ฟังๆดูแล้วคล้ายๆว่าโอ้โหนี่ สมาธินี่หมายเราต้องไปเจริญให้จนกระทั่งมีเอมีพละเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับคฟัคงฟัง<ช>อันที่จริงนะคําว่าสมาธินี่นะครับหมายความว่าเป็นหนึ่งในแปดในองค์แปดเป็นหนึ่งในแปดในมรรคมีองค์แปดแต่ว่าเป็นศูนย์กลางที่สําคัญถูก<ช>ครั บ, รบเป็นตัวกสมยุตธรรมที่สําคัญมากเลยในในเอเลมาร์มีองค์แปดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะ เจริญสมาธิจนกระทั่งเป็นฌานกิจขั้นนุงสูงแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นเองอ๋อไม่ไม่ใช่คือพื้นฐานของของผู้ศาสนาไงอย่างน้อยเนี่ยชั้นต้นที่สุดเนี่ยกรรมมสกตาต้องแน่นใช่ไหมคนที่มีความมั่นคงเข้าใจในเรื่องกรรมมสกตาดีก็จะเข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาดีนะถ้าเข้าใจเรื่องกรรมดีจริงๆจะต้องรู้จักวิปัสสนาดีด้วยเพราะว่ากรรมสกตาปัญญานั้นใกล้กับวิปัสสนา เพราะว่า เ, เลยกรรมศกตาไปก็เป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วทีนี้ผู้ที่มีดีทั้งสองอย่างนี้ก็สา ม, มารถที่จะต้องศึกษาในเรื่องของสมาธิแต่ถามว่าสมาธิเนี่ยคนจะนึกถึงภาพนั่งใช่ไหมสมาธิเป็นจิตเจตสิกหรือเป็นรูปเป็นเจตสิกเจตสิกตัวนี้เกิดร่วมกับมหากุศลเอาธรรมดานะเอกคตาเจตสิกอันนี้เกิดร่วมกับมหากุศลเกิดร่วมกับชาณกุศล ทีนี้ว่าตัวสมาธิอันนี้มีอะไรเป็นอารมณ์มีอะไรเป็นอารมณ์เช่นถ้าหากว่าสมาธิที่เป็นไปกับเมตตาก็ต้องมีสุขิจัสัตเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้เวน้นแต่หลับสา ม, มารถที่จะหวังดีปรารถนาดีต่อคนอื่นได้ไหมบางคนบอกเอ๊ถ้างั้นเจริญสมาธิจะเป็นการเนิ่นช้าต่อการเจริญวิปัสสนาแสดงว่าเข้าใจในเรื่องของสมาธิน้อยมาก ที่จริงสมาธิกับวิปัสสนาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมเป็นขันอะไรสมาธิเป็นขันอะไรเป็นสังขารขันเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถพิจารนาว่าสมาธิตัวนั้นก็มาด้วยปัจจัยปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดสมาธิอา ร, รัมมณะปัจจัยของสมาธิคืออะไรและอุปนิสัยของสมาธิคืออะไรสปายะเจตนะเป็นอุปนิสัยที่สำคัญของ สมาธิอาวาสปายะบุคคลสปายะอาหารสปรายะอุตสปายะคําพูดที่สปายะและพื้นฐานก่อนที่จะได้สปายะอันนั้นต้องมีความเข้าใจในเรื่องสมาธิอย่างดีผู้ที่อบรมสมาธินั้นจะต้องเข้าใจจริงๆว่าไอสมาธิจริงๆเนี่ยคืออะไรและทําไมจึงต้องเจริญสมาธิด้วยเช่นคนที่เจริญเมตตาต้องรู้โทษของโทสะและเห็นอ น, นิสง์ของขันติจึงจะเจริญเมตตา แล้วก็ได้ผลแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็โอ้ยสัปเทศตาเวลาโหนตุหาวฟอดฟอดนอนนี่เป่าประโยชน์น้อยเออผมยังสงสัยว่าถ้าหาวว่าพระโยคาวจรนี่นะครับได้บําเพ็ญสมถะจนกระทั่งได้สมมติว่าปั่นจมาฌานแล้วนี่นะครับเจนพาแล้วเมื่อเจริญที่ปัสนาไหมว่ายังต้องออกมาจากสมาธินั้นก่อนเจนพาแล้วจึงจะเจริญที่ปัสนาอย่างนั้นใช่ไหมครับเจนพาเ อ, อก็หมายความว่าถ้าขนาดที่อยู่ในฌานก็ไม่มีทางที่จะบรรลุ เจนพรก็ฌานขณะฌานจิตวิปัสสนาก็ไม่เกิดแต่ว่าการออกจากฌานของผู้ที่ชํานาญเนี่ยง่ายมากนะคือง่ายเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าผู้ที่ได้ฌ า, านจิตจริงๆเนี่ยจะสงบจากบาปสงบจากอากุศลธรรมทีนี้ถ้าหากว่าเขาออกจากฌ า, านจิตจิตเขาเป็นมหากุศลเนี่ยง่ายเพราะไม่ระคนกับอกุศลหรือไม่ระคนกับนิวรไม่ระคนกับกามาคุณอารมณ์เสร็จแล้ว อผู้ที่เจริญสมถะญาณิกนั้นพิจารณาตัวสมาธินั่นแหละพร้อมทั้งสัมปะยุตรธรรมและปัจจัยของสมาธิเรียกว่าอหมายความว่าก็ต้องออกจากฌานก่อนใช่ไหมแต่<อ>ว่าพื้นฐานดีมากพื้นฐานดีมากพื้นฐานดีมากแต่เมื่อเจริญนิพพสนาก็ได้เปรียกบกว่าผู้อื่นที่ไม่เคย<อ>จเจริญฌานเลยได้เปรียบกว่าแล้วก็ครับง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าเช่นครับ แล้วก็เมื่อขนาดที่เมื่ออริมักมีองค์แปดครบองค์นะหมายความว่าบรรลุอังกันเถอนะครับสมาธิอันนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับอะไรครับสมมุติว่าเป็นพระโสดาบันครับถ้าถ้าออกจากปัญจมะฌานนะไม่ครับเป็นพวกขณิกัตสมาธิธรรมดาเนี่ยครับธรรมดาก็คคจะเทียบปฐมฌานหมายความว่าหมายความว่าสมาธิหนึ่งในแปดนั่นนะครับหนึ่งในองค์ของมรคนี่นะครับมีมีความแนบ แ, แน่นเท่ากับ ผู้ที่บเพ็ญปฐมฌานปฐมฌานใช่ไหมครับแสดงว่าหมายความว่าไงครับคืออย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยยอมเข้าฟังธรรมแล้วเขาบรรลุโสดาบันเลยใช่ไหมฟังธรรมจบอย่างพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมจบแล้วบรรลุโสดาบันเลยโสดาบันของพระเจ้าพิมพิสารนะสงเคราะห์เป็นปฐมฌานโสดาปฏิมัคคจิตปฐมฌานโสดาปฏิมัคคจิตแต่ว่าปฐมฌานอันนั้นเนี่ยมีการมีอะไรเป็นปัจจัย โอ้ปัจจัยของมรรคจิตเนี่ยไม่ธรรมดานะนั่นแหละมีปัจจัยมากมายมหาศาลแล้วก็ถ้าพูดอีกในหนึ่งปัจจัยใกล้ๆของโสดาปติมา ก, ก็คือพวกอนุโลมายานอนุโลมายานก็มาจากไหนมาจากสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานมาจากไหนมาจากนิพพิทายานนิพพิทายานมาจากอาทีนวายานอาทีนวายานมาจากอะไรนะ อาทีนวะมาจากพยตูพยตุมาจากมุลจิตุมุลจิตุมาจากพังคะพังคะมาจากเกิดดับอุทยพยะเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับมาจากสัสมมาสนาสัมมาสนามาจากปัจจัยปัจจัยมาจากรู้จักสภาวะธรรมนั้นๆรู้จักขันธาตุอายตนะนั้นๆอย่างดีเยี่ยมจึงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในชั้นสูงนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใน ขันห้าขันห้าถ้าไม่เจริญปริญญาสามก็เป็นอวิชาก็ขออนุมโมทนากับท่านทั้งหลาย